Book 2 9เก6าสาสคำสันธานสามค a ต a าสัมบุงผมจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง s a y ตื่น g u n k ทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง ผมจะง่วงนอนทันทีที่ผมเริ่มเรียนหนังสือ lelah ketika saya harus belajar ผมจะเลิกทำงานทันทีที่ผมอายุหกสาาบิบฉันหยุด a ำ a านเมื่อฉันอา u ุหก tahun คุณจะโทรมาเมื่อไหร่ Kapan anda m e n ันทีที่ผมมีเวลาทันทีที่ผมมีเวลา s e g ท r a b i l ม saya p าทันทีที่เขาจะโทรมีเวลาทันทีที่เขามีเวลา dia m e n e l ผมมีเวลาทันทีที่ผมมีเวลาทันทีที่ผมม คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ b e r apa ละะ่าม a าแ a นด a าอาการบคผมจะทำงานเท่าที่ผมยังทำได้ Saya akan bekerja selama saya bisa ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังแข็งแรงอยู่ Saya akan bekerja selama saya sehat เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน Dia ja. เธออีบเงีานเธอเลจนอบนเตงแทเธอเลือกที่จเตีแทนที่จะทำา Dia เธอเอกท่จนนบงาเธอือ่จนนงแทนที่จะทานือกท่บงแทนที่จะทานกที่จะนเตียงแทนที่จะเลกบเีานเลี่บงนากอบนแทนที่จะานเกเน่งนลบแทนที่จะลบ้าน dia l e bih memilih duduk d i b บ r d a r i p a บ a pulang ke rumah มาเท่าที่ผมทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่เจ้าอย่างสัยาต้าหูดิอ i ติ g กัลดิสินเท่าที่ผมทราบภรายาของเขาไม่สบายเจ้าอย่างสั a าต้าหู istrinya เท่าที่ผมาบเขาตกงานอท่ผมาตนอที่ผมทราบเขาตกงานเจ้ saya tahu, dia นนเี่มผมทราบเขาต่ท่ผมานอที่ผมทราบเขาตกงานเจ้่างบเขาตกนเ้ผมน้อผมกนจ้ผมบเตกนจมรตงนเ้าผมรางนเาผมกงจ้่ตผมรางเามีผมารเม ไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา Saya ketinggalan bis kalau tidak saya pasti tepat waktu ผมหาทางไม่พบไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา saya t e r s e s a t kalau tidak pasti saya akan tepat waktu